มีการนั่งกรรมฐานต่อไปจะมีไปจกทำเน้นนมทำกรรมฐามเดียกวกับภาวนาทำเป็นจิตในจิตศาสตรเลยนะต่ไป เกี่ยว่าบการปฏิบัติธรรมหลับตานิ่งหน่อยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกการนับคือไล่จมูกที่ลมหายใจผ่านต่อไปหายใจให้ สนามเสมออย่าบังคับรมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับรมให้มันสั้นเกินไปอย่าบังคับรมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับรมหายใจให้มันดะเอียดเกินไปให้พอเหมะพอสมสบายๆเท่านั้น แล้วตอนท่ายกอใน้กโหนมหายใจอ่าอ่าหายใจเข้าลมเข้าไปมันให้มีความ ร, รู้สึกว่าเต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หที่หัวใจปลายลมอยู่ที่สะดือ เมื่อหายใจออกมาให้กัหนดนว่าต้นลมอยู่สดีกลางลมอยู่หยัยตรายลมอยู่ตะโบแล้วก็ตังใจกำหนดต้นลมกลางลมรายลมอยู่อย่างนี้เมื่อความมีสติแ อ, อดิ้ได้อยู่ เรื่อารมีขึ้นไปขึ้นเยอะเติมเตมอ ย, อยู่อย่างนี้เรืเอ่องใดไม่ต้องคิดอย่างอื่นนี่คือลท่าคือเท่า ท, ที่จะต้องทาในปัจจุบันนะวันนี้และปัจจุบันนี้เท่าอย่าคิดไปอย่ า, อยางอื่นอย่าสง่งจิตขึ้นใจข้างบนอย่าสง่งจิตไปข้างล่าง อยาสงนิดใจขางขวาอยาสงนิดใจทางซ้ายตั้ลายให้ตรงทำจิดให้ตรง อ, อยาสงนิดใจอย่างอื่นให้ความรู้จิตความลมหายใจเท้าออกอย่างนี้ต่อไป บางทีมันก็เกิดเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ทำให้เป็นอะไรทำให้รู้อะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรบางทีหยุดแต่คิดขึ้นนี้ ถ, นถ้าคิดขึ้นขึ้นนี้เราก็ตัดมันออกไปเือเรายนี้ ไม่ใช่พระหน้าที่ของเราจะคิดอย่างนี้หน้าที่ของเราที่ตรงนั้นก็คือสร้างสถิตให้ดีสร้างสันติให้ดีการือล ม, ม, มเส้นลมกลางลมลามยล ม, ม, มเท่านั้นอพระหน้าที่ที่จะทําปัจจุบันนี้มีเท่า น, นี้แต่การที่สองมันก็จะคิดไปว่ารําคาญเสียงรถยน ลำคาลเสียงเสี่ยงดินรลำคาลเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงข้างในอะไรนั้นมารบควนเราอย่างนี้นั้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเหตุเช่นนี้นกน็น้อมเข้ามาว่าเสียงรถมาเรนยกาควรเราเสียงเดือร์นี่นเรียกมาควรเราเสียงกระจายชนเรีรนมาควรเราเราเองไปควรเขา เขาไปมาควรเราถ้าเข้าใจว่าเราไปควรเขาเราก็ปฏิบัติห้ามจิตของเราฉะ น, นั้นอย่าให้ไปควรเขาฉะ น, น, น, นั้นจิตนมื่รู้จักเมื่อจิตกรนรู้จักแล้วมโนต่อกำหนดโรมหายใจเข้าออกต่อไปเราะนั้นตอต่อนี้ไปลงมีอการทําได้แล้ว อท่านผู้เจริญทางหลายณโอกาสที่เราทํากรรมฐานจบอย่างไนี้อัตามาถือโอกาสเจตสาท่านผู้เจริญทางหลาว่าเรื่อจับบางคนก็คงจะรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าอัตามามาเป็นไนมาอะไรเพื่อต้องการอะไร อาตมาเป็นพระซึ่งทำกรรมฐานมานุมมนานอยู่ไทยแลนด์หลายสิบปีแล้วกัณฑเมรุที่เกิดมาเป็นมนุนี้ได้มีศรัทธาพยายามปฏิบัติมาเข้าวัดพุทธกาลนาตั้งแต่อายุเจ่ากว่า <c oughs> ที่นี้ได้ทำกา ร, ระึกติปฏิบัติมาเร ด, ด่วยมาจนตั้งสาขาอยู่ในไทยลมมีสาขาขึ้นปฏิบัติประมาณสามสิบแห่งได้อนาจการปฏิบัติมานี้จึงมีรทธิ์จิตในต่างประเทศ มีประมาณเก้าปริบัติไ่้รวมอยู่ที่วัดน้องส่อพงศ์ศึกระมาฐานประมาณมเคคก้าปฏิทัติได้ไปศึกรามาฐานอยู่ที่นั่น ไ, ได้ไปบวชเึ็นพระผูผ้ศึกสาเมเนนในพุทธศาสนาและก็ยังมีทา ย, ยกทายุกาผู้หญิงผู้ชายทั้งหลาย ในต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมวัดหนองกระโรนนั้นมากมายอันนี้ท่านพระเจนโทนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น 10, 10, 10, สิบสิบพรรษาด้วยสิบปีแล้วไปอยู่ยนานพวกเขาเดี๋ยวจะเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติในพุทธศาสนาพอสมควรื่อมีลูกศิต่างประเทศมากขึ้นมา แต่มีชื่อเสียงคดีศพมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้รู่จับ ก, กับสถานที่นี้เเด้วยเหตุว่าสถานที่นี้มีผู้ามาดาเนินการปฏิบัติทิ้หลายปีแต่มาถึงแบบนี้เปิดคาพระคิสุที่จะปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ตัว น, นี้ จ, งง จ, จึงโยนจากท่าจากโยนสีนิวอจิกาทีดาได้เดินทางจากกรุงดันดอนไปสู่ไทยแลนด์ได้ไปดูสถานที่ที่รับของสป ง, ง, งนั้นได้โพูรถึงสถานที่นี้แล้วก็ อยากจะมีมนอษย์อาตมามาดูที่นี่อยากจะให้มาอยู่ปฏิบัติที่นี่อยากจะให้มาศึกอยากเจินที่นี่ด้วยอาตมาจึงรัดปากแกจะมาดูแต่ในรัดปากแกจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับไฟชาเนท่องตะพตกนี่ ในตอนนี้ไม่รู้จกักภาษาหนี้ไม่รู้จกักจิตใจไม่รู้จักความเป็นอยู่ไม่รู้จักภาษาออัตมาก็ไม่รับปากจะมาอยู่แต่ก็ต้องมาดูเมื่อมาดูแล้วเมื่อมาดูแล้วก็อเกิดความรู้สึกหลายอย่าง นี่ยใที้งี้นี่อจะมาเกิดควารู้สึกหลายอย่างเกิดควทมรูสึกแปลกประหลาดที่ฐานที่นี่กับดินฟ้าอาจาสต์กับประเทมีของประชาชนในชาวกลุ่มดอล น, นี้เนี่ยกี่ยวกักพูดไม่ถูกเลยทีเดียวที่อาจะมาเร้าก็มาสู่เมืองนี้มีความรู้สึก่าเกิดใหลาดเกิดม่ รู้สิ่งเคยมีความรู้เห็นสิ่งเคยมีความเห็นในปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่าง น, นี้แต่ว่าไม่เคยนิกเลยว่าอ่าไปชาชนนชาวกรุงเลนดอนนี้จกสนใจในพุทธศาใช่ไมอ่ไม่เคยนิกเช่นนั้นเมื่อมาถึงแล้ว จึงเป็นเหตุให้เกลดใจเกลีดใจฉะนั้นอาตมาจึงมีความภูมิใจในการใจอยากให้พุทธศาสนาแค่มาถึงที่นีด้วยแต่ก็เป็นของลำบากยากอยู่เดิมฉะนั้นจนึงติดศึกษาก็อประชาชนทั้งหลายว่า จะมีความทอมเพียงกไยัไหมจะยินดีไห ม, มจะพอใจไหมพาพระทิศมาตั้งอยู่ในที่นี้มารักษาที่นี่ให้เป็นสถานที่ปฏิบตัติต่อไปข้างแวดั้งใจเข้ามาถูกกิ่งกันตอนนี้กับพระเจมิโร กับพระเสือมาํำโม ม, มาดูแลไปจะกลับไปไทยแลนด์ประมาณสักเดือนกว่าที่สองเดือนตอนนั้นแบบนี้จึงมาเห็นโคมประเทศที่เป็นประเทศเป็นประเทศที่สมควรทุกสิงทุกอย่างดินฟ้าอากาศความเป็นอยู่ จะขาดอย่างเดียวขาดยังไม่มีมักลาดที่มาจะแนะนำคำสอนในทางพุทธศาสนาอย่างแงท้จริงท่านอนตมาจึงตกโกรธใจแล้วว่าจะให้พระเจเนโทอยู่นี่ก่อนกับพรนะเถรนธรรมโมอยู่ที่นี่ ดูก่อนอเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่นี้ด้วยเช่นตัวอาตมานั้นมีทุระจยาเป็นมากจะต้องกลับไปท เ, เทเรนเซก่อนอเพื่อเพื่อจะได้ทดลองอยู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ทั้งหลาที่จะให้อยู่นี้เป็นพระสมถานเป็นพระสมถานที่เป็นผู้เกิดโดยตรงเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้เดนอเป็นผู้ไม่มากมากเป็นผู้เรืงง่องง่ายๆไม่เรื่องยากแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องสำหรับที่คนหนึ่งใรู้จักก็เป็นของยาก แต่ท่านกินง่ายเจอท่านนานง่ายอยองง่า ย, ายถ้าคนไม่รู้จักเชื mm. ่อว่าถ้าสมัยพูดในเมืองไทยชื่อพระเถระสงฆ์สมาใ น, ในในที่นี้ไม่กล้าทําไม่กล้าทําช่นนั้นไม่กล้าทําเหมือนประพุทธเจ้าไม่ไม่กล้าทำใน ห, หลักุตติศาสตร์อย่างแท้จริงเพิ่มการเชื่อยุทบาตรเชื่อิุทบาต ถ้าใช่ก็ขอทานถ้าสมาธททิยังไมเคยปฏิบัติมากั้งครว่าอายอมไม่ได้ทำะฉะนั้นการยึดถือบาตรในซึงมันมีชีวิตมีอยู่ตลอดมาถึวันนี้ความเป็นจริงการยึดถบาตรนี้มีมาติดตังตับสจา้ า, ข, าของเราเดิดมาจากอินเดียการยถบาตรตอนนี้อินเดียการยึถบาตรก็ไม่มีรมีมน้อยเพราะว่า คทีมการปฏิบัติคนมันเทียมไม่ใช่ระศาสอนามันเทียมฉะนั้นการยินทบานาี้จิทัาสดอ่าเร็วมากคือวันนี้ทางวัดขึ้นไงจะต้องมีมูลทิพย์จะต้องเรียกไงเรีอรายเงินทองกันมาเป็นกาอนหนึ่งเป็นมูลทิพย์เพราะในส่องไปยุนทบาทก็เลยเป็นได้ เ, เกิดเป็นความยุ่งยาง คึ้นมาเบียดเบียนาติโยมางๆหันเรื่องไแล้วต่คนก็หมดชะาเพราะเราไม่ปฏิบัตบกาบาิการยินทบาทามีการินพบาทแล้วมโนมีทิที่จะสั้งคุณา น, า น, นันไม่จำเป็นการข้ามาพระมีบาตแล้วก็อ้บาตยินทบาทไปเรื่อยก็ไม่ขอโดยวาจาโดยโดนโดยดดีโดยความสงบอยังนักนงตะคงฤทธิพลยนั้น การค่าไปจนถวายแล้วยอมใครจะมีอาหารมายืนยี่น้าบ้านให้ข้าวสักฟ้อนหนึง่งผลมไามา่สักใบหนึ่งถนนสังจะขึ้นหนึ่งไอเรื่องไอคนนี้จะห้ไว้หลายคนก็ไปคะแนกเล็กลนะฮวันนึงจะจะเสียขาไปสักทีหนึ่งหรืออัาเติมไปสักบใบหนึง่งในถนนจัขึ้นหนึ่งเท่านั้น แลายคนเดินตายเดินไปมาเป็พคอทาแล้วนเนี่ยมไม่จมาเป็นถ้าหากว่าคนยังรู้ก็เดียวคนคอทามแต่ว่าไม่ใช่คนคอทามแค่ว่าคนเราที่จะอยู่ไป น, นี้ก็เพราะอาหารโดยสารอาหารมันเป็นอยู่ชีวิตก็ยังมีอยู่เมื่อชีวิตยังอยู่แต่สอนแต่ชาชน ไ ด, ได้สอนประชาเตให้สร้างเป็น ง, งานความดีขึ้นได้สอนธรรมาให้ผู้จะสร้างธ ร, รมะมนั้นก็ต้องอาหารเป็นเป็นเครื่ออาศัยอยู่ถ้าไเ่มีอา ห, หารกะสร้างธรรมะไม่ได้ อ, อ, อันนี้ถ้าไเ่มีอา ห, หารเรี้ยงจะอธทําาธรหมะสอนประชาเชตนมไม่ได้จะท่านเอามากไม่มาแล้วจังๆฉัชชนพอแล้วก็ แต่งไม่เก็บไว้ารเก็บไวไม่ได้เดี๋ยวจะเลีงโดยยาเจงเขาเก็บไว้เท่านั้นแล้วก็ชันไี่เดียวอีเรือ่องเรื่องไม่บาดเดียวชันนี่เดียวพระทั้งหลายล้วไมีเป็นพระผิดแปลกๆครับยังจะมาเดินทางมาจากแถบไม่กูฟูนั่นนี่ไม่มีจตางที่จะเป็นพระจ้างทื่เออพวกคนรินมา เขาก็ถวายให้นั่งมาอือพระชมนโพเขาก็ญาอิโยมเขาก็ใหมม้มาสม่วนเปลของพระชุนโธสือมาถมโทุกพระที่อยู่วัดปะพงจะตางในายาในตึในตึงไม่เคยไปขอใครอือไม่เคยไปขอใครไม่เคยไปร้องขอใคไม่เคย ไ, คไม่เคยเคยปเร่ อ, อะไรเงินทองในไม่หมู่บ้านต่งาง ไม่เคยทำการชื่อขายไม่เคยทำการหาเงินแต่เป็นพูดปฏิบัติเคยมากอยู่ในป่าไม่เคยเกียนจ้างใครยื้อจนกระเทืมีของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามาอยู่ใกล้โยมจะมีความรู้สึกยังไงวันนี้จะมาเลยเพื่อเรียนฟังาจัดเป็นยังไงมีความรู้สุกยังไงไห ถ้าญาดิโยมทุกคนต้องการพระอย่างนี้พรอัตมาจ ะ, ใ ห, ะาให้พระอยู่ปฏิบัติจะพยายามส่งให้สถานที่เป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นมันคื อ, อัตมากอจะมาจาการึกษาด้วยกว็ได้าการกระทำมช่นนี้เราจะไปเห็นพระมานคูนัน ด, ดอนนี่ทุกมาจากคาร ม, ม นนะอยากมาแบบ้นอยากใสใจอย่างอื่นนะบางอนก็มาทำความวุ่นวายที่ดีอ่าพุทธาศาสนานั้นไม่ใช่บุคคลบุคคลนั่นไม่ใช่ศาสนาอ่าศาสนานันไม่ใช่บุคคลบุคคลไม่ใช่ศาสนา ศาสนนไม่เสี่ยมดีตลอดเวลาคือพระมาปฏิบัติศาสนาไม่ถูกจึงมันเป็นหน้าเรื่องใสจึงใน่เม่นามยาดเยียมทางหลายให้มีความทุกข์ใจน้อยลงน้อยลงได้ฉะนั้นบางคนก็จะเห็นว่าบมื่ไทยมีพระพุทธศาสนา บางองค์พมีในเมืองไทมาทำไม่ดีก็ไปโทษพุทธศาสนาโทษพุทธศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นคนจินเถอะคนไม่ใช่ศาสนาศาสนาไม่ใช่คนศาสนาเปรียบเทียบว่าเหมือนกันกบเครือเครือมีความเข้มอยู่ตลอดเวลาเ น, นีถ้าใครไปกินเครือก็ยังเขม อ, อยู่ ถ้าคนไม่กินเกลือก็ไม่กนแค่ น, นั้นพุทธศาสนาันึงกินเกลี่ยไม่ได้จึงเกลี่ยไม่ได้คนเกลี่งจังหาไม่ใช่ศาสนานมันเกี่บางคนก็จะเห็นพระในพิธีากรรมในารในการทไม่ดีลว้วก็จะโทษพุทธศาสนาแต่ถ้าจว่าคนจะไปกินเกือก็ไปโทษจากเกลือไม่คิด อย่างนั้นได้เหมือนกันไอความเป็นจริงไอความเคลื่อนไอเคลือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากมีคนเคลือไปจิงก็ไม่เกิดความไอความเคลื่อนปรกตาวดนมาพุทธศ า, า, าสนาก็อย่างนั้นดังนั้นพุทธศ า, า, าสนาเนี่สร้จิตสอนจิตใให้สบายสอนจิตใจมาให้เป็นทุกข์เรื่องพุทธศาสานานีืม วันนี้ถึงเล่าอะไรให้ฟังถ้าโยงยินดีถ้าโยมเห็นเรื่องอันตม า, าก็จะตรงพิสูจน์ธรมเนินมาสร้งข้อปฏิบัติในที่นี้จเจริเนที่ในการปฏิบัติจะจะต้องจะต้องไปยินทบาทขอทานลูก <c> โ <oughs> ยมมีความรู้ซึ้อย่างไรบนะ้างถ้าเจริญทบาท ก็คนขอทานแปลกั น, อนะอาตมายืนยืนเห็นประชาชนในชาวจึงบั น, บนดาล น, นี้เหมือนกับคุณน้องคาถาปัจจุบันจะเกลียดในฟังว่าดินจะดีนะทันผลไ ม, ามากก้จะดีจะไม่มีใครมาปลูกจะไม่มีใครมาทำ ส, สวนอย่างนั้น จะดประทพอสมควรจิตใจคนจะดีสถานที่จะดี อ, อะไรที่ผ้าอากาศจะดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครมาสั่งสอนภาษาศาสนาให้เข้าใจให้มีความถูกต้องเลยแบบนั้นมันจะไอาอพันผลไม้จะดีก็นจะดีจะมีไม่ ใ, น ใ, นใครปลูกอาจจะมามีความรู้สึกอย่างนั้นดีไหมโยมมือที่ เมื่อวีอเมนอาชามาสกัสารเปนา้างคุณจุนีดไหมเอออยู่วัดตะโพงก็เช่นัไม่เคยเข้าใเรือเงินอนบ้างนีไม่ไม่เคยเยไม่เคยทเออยู่วัดตะโพงหลังทเนี่ยีาหารกอดพระะจะอ่าจะมีอาหารรือ่าอมาหารมันด้วยแล้วกัน ได้คนดีให้มามีปรโยนมากในในความยินดีอ่ะมากต่างประเทศเรื่องต่างๆในในสิ่งที่เราจะกาคืดอาหารจไมาดีเท่าไหร่ก็แข่งกันรักพิชมันไม่เป็นใจแน่นอนพิหมันเป็้ทำได้ั้นมันเป็นสิ่งผิดนี่ตีหา้ที่สุดเลยจะพยายามทาแต่ก็ ทำกลุ่มคนเสียงน้อยจะหายเสมากตาเห็นแ ม, ม่ก็ดีขึ้นมขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้เนเร า, ด า, ดาดโดนทุเรียนก็ไม่ลาบากโยนลำบากทับยาิโยนทั้งหลายถ้ามีมะะมบูลดุจี้แต่ก่อมันจะลาบากทาเงินจนพ้อหนึ่งมันลาบากเหมือ น, น, นกันทําไม้ทอดมื อ, ยอยใหญ่ละแบบมันจนะหนักถ้าเราม า, า่าเป็นขีดขี้ขี้ขี้ข้ขี้ขี้ขี้็ได้จับไปคนเดียวกนได้ก็ไมนะ่หนั ้ารให้อาหารก า, ารประสานพระคุณต่างๆถ้าอามรรมเป็นมูลิตีมันไม ย, ยากมันจะําบากเหมือนไม่ท่อนหอใหญ่แบกคนเดียงก็ห น, นักถ้าว่า่านเป็นชิ้นๆก็จะน้อยเท่าไมันก็ไม่ลำบากเคยมีใครมราดตบตาบ้นี่ไหมเคยมีไหมใครเคยเห็นไม่ยึดสาดิบตาบ้าอไม่พี่ น, นี่เดย้เขาเป็นตาบ <laughs> อดจ่าพี่เนีเป็นตาบอดจ่าไม่ยึดเลยเนี่ยี่ต้องทาเรื่องจิด ต, ต่กันอยู่ เปนประโยชน์ใช่ไหมนี่ตำรวจไปจับไหคทอ่ปุมน้อยไหมเออเออแตป่มน้อยี่อไอ่ามันมันถ้าหากใครทาแล้วมันมันมีประโยชน์นะ เราจะตอนเที่ยงยุติปาร์มาใส่บาทรัปทำงานใส่บาตรไปทำงานใส่าสาบาตรไป า, า, า, า, า, าไม่เา ส, าสียตามเสียงานเลยมันมีเวลาวันนี้ตอนเย็นมาจะมีโอกาสทะาสมาธิกันไม่ต้องตามมาส่งถึงชิ้นีอาหารหจากบาตตอนเช้าจัดไวะะ้แล้วค่ะเกี่ยงข้าไปจะเอากันทีเวลาเอากันกีโมงก็ไปทานไปแล้วก็ไปทงานกันเลยสะดวกมากพาุท้ามดยทอาหารตอนเชาอืา อ้าวน <inequ ity. S 1> like, ้าจะเ็นพยายามทำเลยว่ะนี่เมืองเวลาจัดประจุบันคือมันดีขึ้นนลยว่ไม่ทำไม่ตัะพยายามทำไว้มันไม่ยากแบบอมอืมอืมเลื่อเขาเคยไปทำอาหารทาอาหารถวายพระยุติวัตรักางๆปรุงอะไสร็มาแล้วอืมรีบดูอ่อืม อย่างนั้นท่านนั hmm. ้นเาพระุทธเจ้าท่านโปราสเลยว่ากามนั้ขันิการโยเทอัตตะจระมัาน mm ิโยเทสองประการนี้พระพุทธจ้ามนให้ติดอยู่เออตะความติ ทางกายรสิงทางใจเป็นความสุขาีความนิโยโคอัออปจะยือนะฐานนิโยโคเป็นความทุกข์ทางใจมันจะเป็นความทุกข์ทางกายทั้นสองอย่างนี้ เราคิดในใจหรือเข้าไหร่อย่าไปจิดในความสุขเป็นรีมตัวอย่าไปจิตในความทุกข์เื็นรีมตัวถ้าไปจิดในความสุขก็ไม่สงบไปจิตในความทุกข์ก็ไม่สงบแา่กกนนว่าความสุขนั้นก็เป็นจิตอย่างนี้ในความทุกข์นั้นก็เป็นจิตอย่างนี้ ยิ่งฉะนัเนี่นยความุขทุกทสองอย่างเกิดขึ้นมาท่านพยายามเอาจิตคิดเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่เกิดดีมันก็ไม่แน่ไม่แน่ยังไงมีสุแล้วบางทีมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกมีทุกข์แล้วบางทีก็สุขเกิดขึ้นมาอีกมีสุขแล้วบางทีทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกเติมเชนนี้ตลอดไป ืจงถึงมันที่สุดของชีวิตของเราเราเราทุกคน เ, นเราทุกคนนี้เคยมีความทุกข์ไหมแลแ้วเคยมีความสุขไหมเคยมีสุขมันหายไปไหมเคยมีทุกข์มันหายไปไหม ดีมันฝุกอยู่ตลอดเวลาดีมันฝุกอยู่ตลอมันเตรียมแรลงนี่นี่คือธรมะดูจิตของเราก็ได้ถ้าหาว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้อืถ้าหาว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ถึงความสงบไม่ถึงความสงบไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้า ถ, ถ้าการมีอดทนมีความฟุ้งเฟือขึ้นอดทนพอสมควรมีความสุง้งเกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรรื่สิ่งทั้งสองอย่างนี้ฟุ้งเกิดขึ้นมาควารู้ว่านี่คืออันตรายทุ้งเฟืขึ้นมานี่ก็คืออันตรายอือันตรายเจใจของเราเนี่ยของเรานั้นทุ้งเป็นอันตรายทุ้งเฟือยจะมาอันตราย อันนี้พวกเราทั้ทงหลายไม่เห็นอย่างนั้นทุกก็จขึ้นมาอันตรายทุกกิดึ้นมาไม่อันตรายว่าจอเป็นแบบนี้รือจเป็นอย่างนี้เล้องไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยขี้ดีดไปหมดปัญญาไมเ่เจริญความเป็นจริงนม่มนะความทุกขนะ์เนี่ยไม่มีเจ้าของเนะี่ย ทุก็ไม่มีเจ้าของเป็นจากตัวว่าธรรมะอันหนึ่งตัวแ้วมันก็ดับตรงัไปมันจะหลับไปแบบความเกิดหลับของธรรมะก่อนไม่จะทุกข์ก็เพราะเราไปเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของทุกข์อือไปเป็นเจ้าของสุขในความเปินจร น, น, นีทุกข์นั่นไม่มีเจ้าของทุกข์ก็ไม่มีเจ้าของ เราไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเห็นทุกข์เกิดขึ้นมาแตนน่ไม่ว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วกอเป็นเจ้าของทุกข์นั่นก็ไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุธทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นเจ้าของสุขทุกข์ทุกข์นั่นจกักจะว่าทำมันเกิดแล้วหายไปหายไปได้จะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป นั่นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกคนนั้นไม่สบายจะต้องพิจายณาอย่างนี้ปฏิบัติ อ, อ, อ, อ่จริงถึงธรรมะธรรมทานจริงเิดจงมีสัญญาอ่าจะต้องอดทนจะต้องมีาเพียรจะต้องพิจารณอ่อย่งนั้น ต้องคิกเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏี่แล้วเป็นสมาทิฏี่แล้วทุกเกิดแยกหลับตายสุกเกิดแยกหลับายไม่ใช่ของเราเรามีเป็นเจ้าของในความเห็นเช่นนี้ถูกแล้วถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิกกมมถ้าเราทุกเกิดขึ้นมาเราเป็นเจ้าของทุกเป็นสัมมาทิฏฐิสุกเกิดขึ้นมาล้วก็เป็นเาของุกเป็นนิจฉาทิฏฐิ ความเห็นจิตในจุดต้องปฏิบัติในผูปฏิบัติในผูปฏิบัติจิดังนั้นปฏิบัตินี้จะมีความอดทนมีความยืนยันให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงที่สุดจิตก็สงบน่าปัญญานกร ะ, ะจัดกันง่ายความเห็นเบื้องแรกเป็นสิ่งที่สําคนะัญมากถ้าเราเห็นว่าสุดเป็นจุดของเราเป็นของเราทุกส่กระป็นของเราอย่างนี้น ทำกรรมาฐานไม่ได้ไม่เกิดเกิดนิดหน่อยอา่าเยอะมีอะไรอีกไหมเกนสมมวันเวลาแล้วมีอะไรอีกใครมีอะไรก็ให้โอกาสพู่เฉพาะในการการทาจิตในการปฏิบัตินี้ในพูดเรื่องอื่คนคือเรื่องการปฏิบัติของจิตอย่างนี้ ในเส้นสายในตรงนี้เรียเมี่ยวกับเรหน้าเลียนนั่งสมาธิทุกวันทุกวันมี่ความสงบเรยบในนั่งพิจารณาตัอมันมีความสงบสหนึ่งแต่วันนี้มีแะ่ความวุ่นวรยทำหน้าเหมือนดูจัดมือเยับเที่ยงการทัการตลอดมัมีความสงบสล็กหนึ่งวันนี้จะเป็นอะไรทําไมนานาเรียกว่าอันตจัง มันเป็นของเน่แน่อนอนบางที่ก็สงบบางที่ก็ไม่สงบอันนี้ยิ่ปัจจนายังไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกเมื่อก่อนมีความสงบมาอยู่อย่างนี้ออันนี้เรียกว่าอันนี้จังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอย่างนั้นท่านจึนนองอย่าไปเป็นเจ้าของมงันอย่าไปเป็นเจ้าของความสงบอย่าไปเป็นเจ้าของความบุญวาร วันหลังข้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้คิดการณาใหม่นี่มี่คิดกรณ์ผิดแล้วไ่ถูกทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ยมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิภาวะปัญหาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโยมก็เลยทุกข์ อย่างนั้นมันจริงๆอย่างนั้นความสงบกับความวุ่นวายมันเป็นอันตรายเหมือนงูเห่ามันงูเห่าถ้ามันเดือมาเดือยไปเดือยไปเราปล่อยมันไปไม่ต้องไทใครถ้าเราถ้ามันจอยไปเหมือนงูเห่าล้วไปตะคุกมันเหนื่อยเราไปตะคุกมันไปนั่งมันตะคุกมันไปนั่นมันกะชุบกระทุกเลยละ ถ้าโยมไ็จนจะของสุขจะของทุกข์เมื่อไรมันเป็นอันตรายเป็นโชคเรามันก็งีเห่างูเห่าถึงเมื่อวันจะเป็นอันเป็นสารพิษแตจริงมันแต่เราไม่จะพูดมันมันก็ไม่โกเราเมื่อมันไม่โชคเราคิดมันก็มีมีก็มีอยู่กับงูไม่ไม่มีไม่มีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเราวันหลังพิจารณาใหม่พิจารณากิดนี้มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยอปัญญามานน้อย อย่างนั่งให้ใเลยอยากนิ่งให้นิ่งจะมาคิดอ่ะอยากนั่งน้อยๆต่อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่มันนิ่งมีเบาไม่อยากนั่งในที่เคลื่องชันๆไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ไอ้ปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้แหละมันทุกข์ยู่เรื่อยๆฉะนั้นต้องพยายามใหม่นะการพยายามใหม่นี้ตัณเทียงมีแรงมากๆเพิ่ ถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบฟังสุขนั่งนิดเดียวก็พอแล้วนั่งเบานั่งโคกนิ่งๆก็สบายเลวเท่านั้นนะมันจะเ็นธรรมะอะไร ม, <c oughs> มันไม่ได้จะจิตจะผูกกันนั่งแบบมันเป็นแค่อย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่างนั้นขณะที่มีทางความาใจใหม่เนะโยเนะทางความาใจใหม่ทุกๆคนการทํากรรมฐานมันจะดีขึ้น ถ้าเอาเอาความเห็นจาขอเมืออม่อขอลงมาเรื่อพวกพรชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยกำลังมีเหตุการณ์อะไรอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของตนเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในใจของตน ก็คนคิดหาทางที่จะพ้นทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีทุกข์เราปฏิบัติท่าสิ่งที่ไม่มีทุกข์ปฏิบัติท่าสิ่งที่หมดทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็พากันเร็นอยู่แล้วเช่นว่า การนำรวยมันจะผนทุกมันก็ผลทุกไม่ได้การเรียนวิชามากๆทุกอย่างจะให้ผลทุกมันก็ผลทุกไม่ได้เพราะเหตุว่าวิทชาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแก่เกิดตายครอบงำอยู่จึงผลทุกไม่ได้ ข้าวแกวทั้งหลายจึงจริงจะวกวนมาหาความนทุกข์ในทางพุทธศาสนาถ้าวกมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักืถ้า ว, วนมาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยัง ม, มีใครรู้จัก ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจึงพากันสเสวงหาปฏิบัติจะตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะพ้นจากทุกข์นี่เราปฏิบัติจะปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่รู้จักทางปฏิบัติ เมื่อหากว่าเราจะอาศัยครูอาศัยอาจารย์เป็นผู้นำนั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างแน่นอนเช่นการทำสมถานผูกวั น, นบางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะสมถานมันค่าบางท่านก็บอกว่า ต้องทำสมาถะสมาถานถึงถูกบางท่านก็บอกว่าเรียนวิพัฒนาเลย่ต้องลำบากอย่างนี้เป็นต้นคนก็เข้าใจว่าถ้าจะเรียนวิปัฒนานั้นจะต้องเรียนมากๆกจะต้องมีความรู้มากมากจะต้องจะต้องจบพัสดีโดมึงจะปฏิบัติจ้า บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากก็ได้อันใดมันถิดแม้ก็เลกมันเสียออันใดมันถูกแล้วก็ปฏิบัติตามก็อพอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทาั้งหลายที่จะเสงห้าทางคนจากทุกทำกรรมฐานเป็นต้น บางคนก็ตอกว่าต้องเรียนอธิธรรมไม่เรียนอริธรรมทำกรรมฐ า, านไม่ได้เขนี้เป็นต้นยุดหนอพองหนอยุดหนอพองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายสรับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติเป็นส่วนมากอยู่ เนี่องจึงเกิดมันหาความโกเสียงกันจนว่าของฉันผูกของเธอจิตยุ่นวายอยู่ตลอดทุกวันนี้าการเป็นจริงนี้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเราทางหลายก็มาคิดขึ้นเองเรื่อยจิต อันประกอบไปด้วยความโรคประกอบปด้วยความหลงมันจึงมีความยุ่งยากอย่างนี้ในความคิดของตัวเองนั่นก็คิดไปอย่างพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านอนีดูก่อนท่า น, ก, น, านการประพฤติปฏิบัตินี้ให้ท่านรู้จักว่าให้ท่านขึ้ น, านาอดีตเสียขึ้นอนาคตเสีย ที่เป็นมาอยู่ในปัจจุบันนี้เองในต้องตามไปเพราะว่าทำในอดีตเกิดในอดีตแล้วมันจะดับไปในอดีตทำมานาคตก็ยังไม่มาถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะดับไปอนาคตทำปัจจุบนันนี้ท่านไจนาในปัจจุบันนิธรรมอันนี้เกิดขึ้นปัจจุบนันนี้มันจะดับไปในปัจจุบันนี้ เมื่อท่านได้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดอดีตกวางไปอนาคตกวางที่จเจริญนามอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นกวา้างไปของท่านก็เลยหมดไปขึ้นไปเพราะว่ า, าปัจจุบันนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้ว อที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้ น, น, รนธรรมจริยธรรมะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เห็นความสุกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่ทานจริยธรรมจิตอยู่ในปัจจุบันวางอดีต แล้วกระวางอนาคตอพิจณาทำในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้ขิจนากายเอาจิตนี้ขิจนาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองของสายของข่านก็เหี่ยแห้งไปหายไปเพราะท่านเห็นธรรมในปัจจุบันที่เกิดกับนี่งยิ่กว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มาก เราผู้มีความโงมีเกลียดปัญหามากก็คิดมากฟงมากอนความจึิงของเรามากเราไปทำให้มันมากเท่านั้นมันไม่ยุ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงที่มันเป็นเกลียดนั่นก็คือโลภโทสะโมหะสามประการนี้เท่านั้นเกลี mm hmm. ดยดทั้งสามประการนี้ มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุโละโษะจึงเกิดมาตามสิ่งที่เกิดปฏิบัติทำลายกิเลสทั้ ง, ทงหลายเหล่านี้ซึงเป็นส่วนใหญ่ก็ ค, คือสิกขาสามคือสิ้นจิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาทั้งสามประการนี้ คิดขีดขานี้เพื่อปัจเจ้าบัดให้เกิดความรู้จักจิตชอบจริงอะไรที่มันผิดเกิดขึ้นทางกายวาจาสวรรค์สมาธินั้นทําจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเพราะว่าความวุ่นวายออกจากกายวาจาเราแล้วจิตก็สงบเมื่อจิตสงบแล้วเป็นต้นปัญญามันก็เกิด เมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นต้นก็พิจารณสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีร่างกายแลาหนีจป็ต้นให้เห็นความเปิดดับรูปธรรมอยู่เสมอเช่นอรูปธรรมก็คือสกลร่างกายเราทุกส่วนนามธรรมก็คือความรู้จิตนึกคิดของเรานี่เองรวมกันอยู่ทั้งกายโดยจิตนี้ อันนี้เป็นอันนีจังทุกขังอนัตตาและทิจางารูปธรรมนามธรรมทั้งสองประเภทมีร่วมลงเป็นันเดียวคือเอโฟธรรมโมเป็นคำที่ไม่แน่นอนไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความตายอยู่ในใจภายในจิตก็เกิดกระดดเกิดความเบื่อหน่าย อ, มอไม่อยาหาทางที่จะมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าเป็นทุกข์คนได้ยากเมื่อเป็นเข็มยิดก็พย า, า, ายามฝักใหาทางที่จะพ้นจากทุกข์ต่อไปเมื่อนั้นจิตจะมีความเบื่อหน่ายทายความกำหนัดเมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายทายความกำหนัด พอเห็นโทษของรูปทำนามทำแล้วอุปทานความมั่นหมายก็ไม่มีเมื่ออุปทานมั่นหมายไม่มีเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะก่อให้ทุกข์เกิดมาอีกด้าการการะทาของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พยายามทำจิตต่อกันบ่อยๆจนให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของเจ้าของนั้น บัรนี้จะถูกหรือผิดยังไม่รู้ทุกคนเมื่อจิดใจมันเบื่อหน่ายทายความกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองสังขารทัางหลายเหล่านี้จึงจะรู้เว่ป็นเองเป็นปัิจจังยีปิสะโพได้ดันงนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาไปชุมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัย บางคนอาจจะสงสัยว่าทำมานานแล้วก็ไม่เห็นมันผลทุกคิดอย่างนี้หรือได้ให้เปรียบเหมือนบุรุุที่ถีไฟความร้อนยังไม่สมรุนกันไฟมันกเกิดไม่ได้มันอาจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าสงสัยในการประบัติปฏิบัติอันนี้ขอให้พ่อท่านทางหลายมีศรัทธา มีความเชื่อน่าจะมีปัญญาทำไปให้เป็นปฏิปทา ต, ต่อไปหลังนั้นจงถอนทิฏฐิคือความเห็นว่าการเรียนมากๆรู้มากๆนั้นคนทุทธเว้นมีจังทุทธขงังอัตตาในกายกับจิตของเจ้าของนี้รู้เท่าเัียเป็นจริงแล่วกระดักจากประทานเท่านั้นก็ควนทุกได้ จะให้โยมทุกคนคอนใจว่าความสรขเกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นอันตรายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั้นก็เป็นอันตรายอนความรักที่เกิดขึ้นจากใจไรนั่นก็เป็นอันตรายความสุขที่เกิดขึ้นจากใจไรนั่นก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเห็นแบบนี้แล้วให้สุขนี้ทุกข์นี้รักนี้เกลียดนี้ตปนของอะไรเนี่ย เพียเพื่อนอนิตย์ยังทุกขังนาตาเท่านั้นได้ปล่อยวางเรียนเท่านี้หรือเท่านี้จานเป็นจริงและจะจบและก็พ้นจากทุกเท่านั้นไม่มากอันนี้มาพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์แล้วอืมไม่เป็นของมากไม่เป็นของน้อยอันนี้แหละวันนี้เอาให้ยมไปพิจารณา ไอ้พิตารณาจิตพิจารณาายกับจิตมีกายมีเป็นอย่างไรเฉียงไหมแม่นอนไหมจิตนี้แน่นอนไหมแม่แน่นอนไหมเดียจิตนี้จนกว่าจิตของเราจะเห็นในจิตปัญญาเกิดขึ้นในจิตเห็นตายกับจิตมีเป็นอย่างนี้เห็นตายกับจิตมีเป็นอย่างนี้เ่็นของแม่แน่นอนอย่างนี้เห็นความเห็นเกิดเกินเกิดนี้ จิตเราก็เบื่อจิตเราก็นานเมืเ่อจิตเราเบื่อเมื่อจิตเราแลาเราก็หาทางพ้นออกจากทุกข์นท่นอืมการแสดงธรรมให้ความรู้ความเห็นให้ปัญญาเกิดกับจิตของโยมทุ้ปกคนอตอนนี้ไปก็เวลามันจะหมดแล้ว ก็เป็นเวลาที่จะถามปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นปล <c oughs> าจะไม่ไปกิดเบ็ดแค่ไหนมันไปกินเบิดไปเป็นกินเหยื่ออูีหูทำไมปลากา็บ็ดป็นปลานม่ไปกินเบ็ดด่ะไปกินเบ็ด เ, ดเนะ <c oughs> าเนะ <c oughs> ทีนี้กลาไม่กุนแล้วลาเบดมันเกลียวปาคนเนี่ยไม่ดุทำไมปลามันจนึงจะทำอย่างนั้น เหรอเนี่ยนะปลาไม่ใช่ใจผิดหรอั้ยปล า, าใช่จิดอืามีรทธิอย่างนั้นถ้าปลานนมันมันรู้จักว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นปลาม่ควรม า, ามรกินเด็กนี่เราเราต้อพูดภาวนาแล้วก็ตองที่จารณาอือบางตีปามันเห็นรูกล้วก็ชอบมันจะเกเหมนกันนะโอ้ฟังเสียงเราจะชอบก็จะเด็กเหมือนกันเน จะหมูกรองกลินมันก็ชอบมันก็จีบกิิ่นมันก็เป็นเด็กนั่นแหละอืมรื่นเริบทลับอแล้วก็ไปริ่จีบลับนั้นอันนั้นก็เป็นเด็กไอ้โพลทาร์ฟโซ่กล้องทางซายนั้นก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของสนุกสนานในเรื่องดฉะนั้นจึงจะติดอยู่ในตามคุณในรูปในเสียงในจลิ่ในรสอืมจนเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ในใจ นี่เพราะอะไรกพรความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองนีเราควรศึกษาให้รู้จักจิตใจของเรามันเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งบางทีของขี้ไม่ดีใจเราก็เห็นว่าดีตรงนี้บางทีของนั่นดีใจเห็นว่าไม่ดีตรงนี้บางทีเห็นว่านี่ถูกธรรมะนั่ไม่ถูกตรงนี้น หลายอย่างสารพับนี่จะนั่งจะให้ภาวนาจะต้องให้คิดธนาให้รู้จักให้รู้จักถ้าไม่รู้จั ก, จกอย่างนั้นมันก็เหมือนปลาปลาไปกินเด็ดท่านเหนนน็นไมั่นมันกินเด็ดดอกมันกินเหลื่อแต่ว่ามันไม่รู้จักมันไม่ไปปลูกเด็ดไปเลยทุกงั้นนั่งจึงประกันอดทนอดทนรักษาศีลอดทนมานั่งสมาธิอดทนมานั่งสมาธาน เครื่อให้จิตแล้มันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็สว่างมันมองไปเห็นที่นั้นมันจิตที่นันมันกคือทื่นั่นเสียหายที่มั่นไม่เสียหายที่มั่นเป็นประโยชน์ที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็เกิดขึ้นในจิตตอนนี้แล้วเพะ่ชีวิตของเราเป็นอยู่ในความเห็นชอบเช่นนั้นก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สบายในนั้นชีวิตของคนที่ไม่รู้เรื่อง ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึเตรียมตัวไว้ทำเตรียมตัวไว้ท่านสอนไม่ว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่คือท่านให้สนใจในตัวของเจ้าของว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่หมายความว่าวันคืนมันร่วงไปร่วงไปนั้นบัดนี้เราทําความความชั่วอยู่หรือทําความดีอยู่ ไลาทาความโกอยู่หรือเราทาความผิดอยู่ยะ อ, อ, ยอะไรไนะหมภาษาอนะไรง้ <c oughs> หมดเพนายก็จะหมทุกอย่าง <c oughs> อตราจะข อ, อ, อ, อโยนทั้งหลายนี่นะบางคนก็ยังไม่คยรู้จักบางสิ่งบางอย่าง คนที่ไม่รู้จักนี้ก็ไม่รู้จはは alone, ักจะทำนะอาตมาเช่นกันไม่รู้จักไม่รู้ไม่ถาไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะทำนะครับอย่างยู่นานไทยมาเมืองมิชิลันดอนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องนี่เดีคนไม่รู้คนไม่รู้จักพูดไม่ได้ที่คนเรายังไม่รู้นั่นก็ไม่รู้จักจะทำไม่รู้จักจะพูดเป็นธรรมดา เรื่องพิธีการพุทธศาสนานี้สมเหตุสมกันมีหลายอย่างเช่นตัวอย่างอตมาจีมาแสดงครามเมตมามาถึงข้าเถึก็มากรากราบแล้วก็เป็นราชาวะอรหังสมาจัมมุทโธสักวานโยนคงจะไม่รู้ซิกราบแล้วก็กราบอี่บางศีรละไหว้จันารแล้วก็ไหล้จันทร์แล้วก็ให้พน สองกระบะยะ า, าวาริวหาตูราปริโเริปิจาสรางเอเมยังนี้เ็ต้นโยมางคนที่ไม่ได้จากตนสระพระพม่ต้งก็ได้อันนี้เป็นที่ขอบคุณของโยมญาติโยนทั้งหลายถวายทานขอบคุณให้มีความดีเย็มเป็นสุขมีความสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่เรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นฉันั้น พระพุทธเจ้านั้นนะพระพุทธเจ้า น, น่ท่านเป็นรูปมีเปรูปรูปนี้แต่ไม่ช่รูปนี้เป็นรูปแทนรพระพุทธเจ้าที่สังเลสอนให้คนละความทั่วประพฤติความดีที่ให้คนให้เรียบเรียนซึ่งกันแกัรมาถึงวันนี้ก็ท่านสอนอย่างนั้นน่ยถ้าท่านเป็นผู้มีคุณอย่างนั้นเรนะความกราบด้วยอ่อนน้อ แมะวองไทยแม่เม้องไทยทห า, าแว่าเราไปถึงกันมีการว่าอย่างนี้ดีใจมากเต่บ่าดเคากันอย่างเต็มนี่เรียกว่าเป็นปริยาของพุทธศาสนาฉะนั้นที่อาตมานานี้ที่ตัวมากราบยาสกอร์เป็นผีรุวิกทำใจสบายว่าทำเป็นผู้มีบุนมีคุณแก่เราเราก็ได้มาปฏิบททัติธรรมอย่างนี้ตอเพราะคาสอนของท่านอย่างนั้นเราจะเพิ่มบนคุณท่านได้ ถ้าะม่เป้นกราท่านเลิกไหว่านไหวอะไรวความดีของท่านไหวความของท่านไหวธระที่ท่านประพิธปฏิบัติมาแล้วมันถูกต้องเช่นนี้ท่านสอนหละท่านดีก็ได้ดู ท, ท่านเชื่อเลยเชื่อเหล่านี้เป็นต้นท่านสอนผดเป็นลายจารัดอย่างนี้พวกวันนี้ก็ยังมาหาแต่ีไหน ย, ยังตั้งอยู่ในโลกแบนี้ใครทาท ด, ทดีก็ยังได้ดีอยู่ กาทเชื่อก็ยังให้เชื่ออยู่ตลอดไวันนี้คาสอนอันนี้เป็นคาสอนที่ออกจากะโอนั้งท่านจากใจทั้งท่านอืสอนนี้นเป็นประโยชน์ท่านจึงเป็นผู้มีประโยชน์แก่ชายโรคทั้งหลายเพื่อนเพราะาสอนมนุษยงน้ายให้ทาผี่ถูกต้องให้พทษผี่ผิกต้องให้คิดผี่ถูกต้องทั้งนั้นฉะนั้นจึงมกาวว่าท่านเป็นอ้เป็นผิดดุจเป็นผิึคค่งทางใจขอะไราจได้อืมีความหมายอย่างนั้นถ้าใรเรานีา่ยะกาวท่านคนเป็คน ถ้ามีชีวิตเาทใจไว้กัอ บ, บ, บอะไร้องคือความคุ้นถ้าตั้งใจไว้บคุณมีการทําทุาาเด็กเดอย่างนั้นยึปหมายอย่างนั้นอืบางคนจะนำทางไปไฟาไปผึกไปเรื่อยไปต้งตงองความเคารพนี่เป็นิดของคอประสาทจมาือทุกคนไปนำทากันแ้วนันครยนไป น, น า, างน้กันไปผิดไปแว่าอย่างนี้ดีใจมา ขอบคุณมากเรื่าาองกาเคารวะคำสอนที่สอกรรมฐานมีแต่หาโซหาจานหาที่บริสุทธิห์หาพระที่บริสุทธิ์จะโคตรอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นจริง เ, เป็นคนที่มักง่าเป็นคนที่ชัโดดเป็นคนที่ปฏิบัติดีแย่เห็นทุกนี้จากทุกนี้จากกระแบบส่าารแล้วก็เพิ่มกาลังสิเเ่เป็นไปทานมันเทื่อเนมาเลือดใจแตาเป็นครวะนั้นกันเนี่ก็เขาไม่เคยเดือ ก็มีเยจะมีรูกจะมีเช่าของเงินทองมีอะไรพูดวาอยู่แล้วกตะฉันเป็นกรรมฐานการเดรียมการใช้กระดานินเดียหรือกันกินสลายนี่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นกปรเตรียนนังสือจะทำไงแล้วจำแล้วจะเตรียมจำจะหาครูที่มีการรู้กว่าเราใ่ไหแต่เป็นเรอยมการปฏิบัติลศานานี้เป็นการทำกรรฐานจะต้องหาคนพูดที่มีขีดเหนน้อยเบาบางออกจากคนทุกมีสิ่งไม่สมควรจแต้องทำยั